เทวนารีจากกระเสียนสมุทรโคลงเสียงช้าๆบ่นตามหลังไปว่าไอ้เจ้าเด็กซนไม่รู้จักกาละเทศะกำแหงหานดีไปเถอะมรติยาคมจะเสื่อมสลายหมดไม่เข้าเรื่องเลยจริงๆนะมันน่าตกนะักแล้วนางก็ผินพักมาทางเขาบอกเสียงเรียบๆว่าอคนิรุธเอ้ยคราน ลุกขึ้นมาได้แล้วอย่าไปสนใจอะไรกรรมายาโกนไร้าสาระของอดีตคนใช้เก่าแก่เจ้าเล่ห์ของคุณเลยลุกขึ้นมานะ้ฉันคืนกําลังกายให้แก่คุณแล้วยังอุตสามิเจ้าตัวดีมาทําลายกําลังใจของคุณซะอีกอะลุกขึ้นมาอย่าลืมสิว่าคุณน่ะคือระพินไพรวันอย่าให้กลุ่มพวกเจ้านายต่างชาติต่างภาษาเหล่านั้นมาเห็นความอ่อนแอของคุณเป็นคํารบสอง ส, องสิหน้าคเทวีขอรับ แต่ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่แง่ทรายหรือจักรราชบันดาลให้เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เลยทำไมคุณไม่ให้ความกระจ่างกับผมมั่งล่ะคาวหน้างามนั้นขรึมลงจนหน้าเกรงนี่คุณฉันบอกแล้วไงนะว่าจะไปสนใจกับอะไรทั้งสิน้จนจงสนใจเฉพาะปัจจุบันที่คุณเป็น<ไ>ปและอยู่ในขณะนี้เถอะไม่รู้ตัวบ้างหรือไง ว่าโรคจิตประสาทแต่มันเล่นงานคุณตายอยู่แล้วไม่ต้องคิดไปประกอบภารกิจอื่นใดหรอกแค่ต่อสู้กับดวงจิตกิเลสนิวรณที่มันรุมล้อมเข้ามาในขณะนี้<ม>ก็จะดับขันจะก่อนแล้วจงทำปัจจุบันนการให้ดีที่สุดจิะคุณอนาคตที่ดีก็จะรออยู่แล้วอดีตนะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแม้จะมีการเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันบ้างก็ตาม แต่จะไปคิดถึงมันอีกทำไมในขณะที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ในชาติภพนี้รบพินคือคุณในชาตินี้และดารินก็คือเธอผู้นั้นในชาตินี้เช่นกันคุณจะหวนกลับไปสู่ความเป็นอัคคิรุธและให้เธอผู้นั้นเป็นจิตรางคนาอีกทำไมจงใช้สติปัญญาสมาธิแล้วก็เหตุผลเข้าไตรตรองแก้ไขเหตุสิ หรือว่าเดี๋ยวนี้คุณไร้สิ่งเหล่านั้นใช่แล้วแล้วคุณจะเชื่อใครเราอ่านชั้นซึ่งปรารถนาดีกับคุณอย่างบริสุทธิ์กับเจ้าคู่ปรับเก่าที่กินเหลี่ยมกินเชิงกับคุณมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าเขาจะรักนับถือคุณแค่ไหนก็ตามสันดาเดิมของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปได้หรอกง่้ทายในะชอบเห็นคุณเจ็บปวดทุกยากชอบลองดี กระแสเสียงนั้นกล่าวมาอย่างเยือกเย็นกอบไปด้วยความการุนเทวนาเรีครับเมื่อถามเรื่องอื่นไม่ได้ผมก็ขอถามในเรื่องที่อาจจะบอกได้ก็แล้วกันแง้ท า, ายที่ผมพบเห็นเขาอยู่เสมอนี่เป็นอะไรล่ะครับเป็นอนุสติความคิดเพ้อฝันไปของผมเองหรือว่าเขาเป็นอะไรนางแย้มโอดนิดหนึ่ง เอาละพรานฉันจะบอกให้ในข้อนี้มันไม่ใช่จิตใต้สำนึกหรือว่าคุณประวัติคิดสร้างภาพไปเองหรอกไอเด็กเว้นั้นมันมาพบคุณจริงทุกครั้งแต่มาด้วยมิติที่สี่คือดวงปรานดวงจิตที่มันผูกพันอยู่กับคุณมาด้วยอิทธิปฏิหารของดวงจิตอันแก่กล้าริบซึ่งมีอรหรันตเจ้าองค์หนึ่ง เป็นอาจารย์ของมันเป็นผู้เปิดทางให้ฉันบอกได้แค่นี้แหละอย่าซักถามอะไรต่อไปเลยมันจะมาได้ตามจังหวะและโอกาสเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวและตะวันหมดแสงไปแล้วกายทิพย์ยังงั้นเหรอหน้าเทวีใช่ดวงจิตก็คือกายทิพย์นั่นแหละ แล้วคุณละ่ะลักษณะเดียวกันหรือเปล่านางสั่นเสียน้อยน้อยมันคนละลักษณะกันพรานฉันจะมาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิน้นเพราะพบภูมิศักสกุลของเรานะ่ผิดกันแต่ฉันไม่ได้มีภารกิจอะไรที่จะต้องมาให้คุณพบเห็นบ่อยๆเหมือนเจ้าหนันหรอกจอมพรานสะบัดหน้าไล่ความมึนงง พยายามรวบรวมกําลังกายอันอ่อนเปรีย้ยอีกครั้งแต่ยังอยู่ในลักษณะพังพาดเอามือยันพื้นอยู่เช่นนั้นอ่ะลุกขึ้นมาสิพรานไม่เคยมีครั้งไหนเลยในชีวิตของคุณที่จะอ่อนแอทั้งกําลังกายกําลังใจเท่าครั้งนี้สีแรงเป็นคนมีวิทยาอาคมนะเสียงอ่อนโยนนั้นกล่าวเตือนมาอีก รพินกัดฟันพยุงกายขึ้นมานั่งราบกับพื้นยกมือขึ้นกลุมสมองไม่ได้สนใจที่จะหันไปพิจารณาดูร่างงามประหลาดที่ยืนเด่นปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นอีกมือทั้งสองหนีประคองไว้ที่ขมับของตนเองขมจิตเต็มที่แต่เสียงเซออื่นเรียกนามอัคนิรุตก็ยังคงเวีย่ยวแววอยู่ในโสตขนานี้ ตลอดเวลามันทั้งปวดร้าวทั้งเต็มไปด้วยปริศนาซึ่งตนเองไม่อาจจะคลี่คลายออกไปได้ไมีอยู่หลายคำถามนับไม่ถ้วนที่เขาอยากจะถามแต่ก็ตระหนักแน่ว่าไม่อาจได้รับคำตอบจากสตรีงามอันเป็นสิ่งเหนือโลกภูมิศาสตร์ซึ่งจะมาปรากฏตนให้เห็นณบริเวณอันเป็นที่พักชั่วคราวเหนือทะเลสาบ บนยอดเขานี้ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะให้คุณและแสดงความเป็นมิตรกับเขาก็ตามซึ่งเขาก็ระหนักดีได้แต่พื้พำออกมากับตนเองว่าจิตรางขนานนั่นคือนามในบัรพชาติของคุณหญิงดารินจริงเหรือแล้วเราเอง คณิรุธเหรอแปลกเรื่องราวมันไปมายังไงกันนี่แล้วใครจะให้ความกระจ่าง ก, กับเราได้ก็ฉันไม่ได้บอกกับคุณไว้ก่อนเนอว่าสักวันหนึ่งในชาติพบนี่แหละเมื่อคุณบังเพ็นตะบะชานให้สูงขึ้นกว่านี้คุณจะสามารถหมุนการเวลาย้อนกลับ มองไปเห็นในอนดีตชาติของตัวคุณเองแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะนี้คุณคือระพินและสตรีนางนั้นคือดารินจะพบกันอีกในชาตินี้หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้การเวลาเท่านั้นจะชี้ผลพราน ขณะนั้นก็มีเสียง อ, อดเรียกทีๆขึ้นจนรพินสะดุ้งตื่นจากภาวังเอามือที่กลุมศีรษะออกรอบกายขณะนี้เป็นความมืดสลัวตามเดิมไม่มีวี่แววของอะไรทั้งสิ้นและเสียงออดเป็นจังหวะทีๆก็คือวิทยุมือถือขนาดเล็กเน็บที่เข็มขัดซึ่งคณะนายจ้างแจกไว้ประจำตัวนั่นเองจึงปลดออกมากดสวิต ขึ้นมีใครต้องการเรียกผมถูกต้องไหมครับเขากรอกคำพูดออกไปเรียบเรียบเบาๆถูกต้องระพินสัญญาณวิทยุมือถือของเรายังใช้การได้ดีเสียงคุณก็ชัดเจนมากขอเชิญกลับมาที่พวกเราเร็วเถอะมีข่าวคืบหน้าจากวิทยุติดต่อเครื่องใหญ่ของเราแล้วเสียงพูดเร็วปรือดังออกมาจากลำโพงเล็กประจาเครื่องเป็นเสียงของหัวหน้าคณะ ครับครับครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับเขาตอบแล้วลุกขึ้นยืนทันทีเดินบ่ายหน้าเลาะลัดจากมูคโคทินที่ปลีกตัวแยกมาตามลำพังนั้นกลับไปยังที่พักของกลุ่มนายจ่าทุกคนบคองคริสที่แยกยากเขามายังนั่งรายล้อมอยู่ที่เครื่องรับส่งซึ่งขณะนี้เหมือนจะหยุดการติดต่อไปแล้วเพราะไม่ได้ยินสัญญาณใดๆ จากเครื่องอีกแต่ละคนมีสีหน้ายุ่งยากพอเห็นเขาเดินกลับเข้ามาก็มองเป็นตาเดียวได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับจอมพลานถามขึ้นขนาดที่สุดกลายลงแม้จะใช้รหรหมอสแล้วก็ยังติดต่อกันได้กระท่อนกระแท่นเต็มที่อะรัพินสแตนลีบอกโดยเร็วเขายังหาพิกัดของเราไม่ถูก เราก็พยายามที่จะแจ้งลักษณะภูมิประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ขึ้นไปเขาก็ตอบลงมาว่าบริเวณแถบนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีภูเขาไฟและไม่ปรากฏทะเลสาบใหญ่บนภูเขาที่ทำไว้ในแผนที่เลยนอกเหนือไปกว่านั้นสื่อจากวิทยุเครื่องนี้ของเราอันควรจะจับค้นหาได้ด้วยเรดาร์จากขอควบคุมลอยเขาก็วักคนไม่พบมันกลายเป็นว่าพวกเราณนศะูนหายไปจากจอเรดาร์ของเขาเละ คนไม่พบมาสองวันแล้วระพินเม้มริมฝีปากนิดนึงเอามือลูบปลายคางศากนั้นแล้วเขาสั่งการยังไงต่อไปบ้างนะครับเนี่ยเขาก็บอกให้เราใช้ความระมัดระวังตัวขีดสุดและพวกเขาก็พยายามจะตรวจสอบจับหาตำแหน่งของเราต่อไปอย่างไม่ลดละขนาดนี้เป็นตกกะก้อนนะกำลังอยู่ในภาวะวุ่นวายสับสน แ่้หน่วยเหนือสูงสุดก็รับทราบข่าวแล้วว่าเราสูญหายไปจากการเฝ้าจับสังเกตด้วยเรดาร์รปินหันไปทางคิดอันเป็นพนักงานวิทยุซึ่งยังจับจ้องอยู่ที่กระดาษอันจดคำแปลรหัสมอสอยู่ด้วยใบหน้าอันยุยี่การติดต่อด้วยรหัสพอจะแปลความหมายได้ดีหรือคะแนนคิดหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าการใช้คำพูดใช่ไหม นายนั่นเกากระบากลกรากอย่าเป่าลมพลูออกมาเฮ้ยไอรหัสเสียงสั้นๆยาวๆมันก็ยังดีกว่าคำพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะักหรอกกระพินต้องใช้วิธีเดาสุงมาบ้างเหมือนกันเพราะบางขณะมันก็ขาดขา ด, ขาด ห, หายหายแต่ที่จับได้ชัดเจนที่สุดในตอนท้ายพวกมันถามลงมาว่าเราแน่ใจเหรอว่าเรายังอยู่ในโลกนี้ ไม่จะเพ่นออกไปอยู่ดาวพระเคราะห์ดวงอื่นแล้วไม่ด้ย่ำถามอะไรบ้าๆแต่มันที่น่าแปลกที่สุดนี่คือวิทยุเล็กมือถือของพวกเราทุกคนมันกลับชัดเจนดีไม่มีเสียงคลื่นรบกวนอะไรเลยสักนิดน่ยสังเกตจากที่หัวหน้าเรียกแล้วก็โตอตอบกับคุณเมื่อครู่นี่เบนเสริมมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งผมไม่อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกับวิทยุประจาคณะของพวกคุณเครื่องนั้นนะครับ ติดต่อได้แค่นี้ก็นับวิเศษมากแล้วล่ะคุณเอาเป็นว่าพยายามหาโอกาสติดต่อไปเรื่อยๆในทุกตำแหน่งที่เราเคลื่อนที่ไปก็แล้วกันถ้าเชื่อตามพิษฎีของผมก็คือมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นคนไม่ได้มาปิดบังพวกเราไว้จากการเฝ้าจับสังเกตของสถานีควบคุมในขณะนี้อาจเฉพาะบางสถานที่บางเขตก็ได้อย่างที่เคยปรากฏมาแล้ว ผมเองก็ไม่เข้าใจหรือรู้แน่ชัดว่าบนสถานีลอยของพวกคุณน่ะใช้เครื่องมือก้าวหน้าสักขนาดไหนจับการเคลื่อนไหวตำแหน่งที่อยู่ของเราตลอดมาหรือเปล่านี่ระพินบอกตามตรงก็ได้นะเราใช้เครื่องมือทันสมัยที่สุดเท่าที่มีอยู่เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตั้งบนสถานีอวกาศเพื่อทำการจารกรรมนั่นะ เครื่องชนิดนี้มันสามารถจะบอกได้แม้แต่ว่าขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามของเราะิดตั้งอยู่ที่ไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่เครื่องบินรบหรือเรือดำน้าของประเทศไหนกระจัดกระจายอยู่บริเวณใดมันบอกได้แม้กระทั่งสภาพของพื้นผิวโลกส่วนไหนจะผันแปรไปในลักษณะใดด้วยหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสยอมบอกความจริงกับเขาแล้ว ในความลับทางสมรรถภาพของเครื่องรับส่งวิทยุพิเศษและเครื่องไม้เครื่องมือของฝ่ายที่ควบคุมอยู่ระพินซ่อนยิ้มอยู่ภายใต้สีหน้าสงบเงียบทำไมคุณไม่บอกขึ้นไปเล่าว่าขณะนี้นะ่ะเราอยู่ประมาณ30สองศาตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มน้าสารวินขอให้เขาพิจารณาลำน้าสารวินเป็นหลกักเราบอกขึ้นไปแล้วละ่ะ เบนเอ่ยขึ้นก่อนที่สเตนลีย์จะทันพูดแต่พวกเขาก็ยังค้นหาไม่พบอยู่ดีเขารู้แต่เพียงว่าแถบนี้นะ่ะเป็นทิวเขาสูงสูงต่ำๆนับพันพันยอดสลับไปกระโดงดิบและทุ่งโลง่งกินอานาบริเวณกว้างขวางมากส่วนการติดต่อที่ใช้รหัสมอส ก, ก็มีคลื่นรบกวนอยู่ตลอดเวลาและก่อนที่อาจารย์จะเรียกคุณเข้ามาคลื่นรบกวนหนักซจนรหัสมอส ก, ก็ยังจับเสียงไม่ได้ ก็เลยต้องยุติการติดต่อซะ ก, ก่อนน่าเสียดายนะครับที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกคุณอันจัดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังไม่สามารถพิชิตโลกพระเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นี่ได้ปลุโปร่ปรงหมดสิ้นต่อไปนี้เราก็เห็นจะต้องขอพิซซาจากพวกเขากินไม่ได้อีกแล้วละมะั้งระพินพูดเบาๆหน้าตาเฉย นวล้วงแผนที่เก่าแก่ของมังมหานราธาออกมากลางแผ่อีกครั้งพยักหน้าให้กับทุกคนทั้งหมดเข้ามาตีวงล้อมทันทีจอมพรานใช้หมึกแข่งชี้ประกอบคําอธิบายผมว่าตอนนี้ไม่ต้องเอาแผนที่ที่พวกคุณทํากันไว้มาพิจารณาอีกแล้วละครับเสียเวลาเปล่ามาดูตามแผนที่หรือลายแทงโบราณของผมนี่มันน่าจะดีกว่านะ ขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณกลางลำตัวของเทือกเขานกอินซีนี่นี่ตำแหน่งนี้ครับเขาวงเป็นเส้นบางๆลงไปยังตำแหน่งหนึ่งในแผนที่เก่าคร่านั้นและนี่ก็คือทะเลสาบที่เจ้าของลายแทงระบุบอกไว้ว่าวังนักราชหรือที่เราตั้งชื่อกันว่าสวอเล็กพรุ่งนี้เราจะบ่ายหน้าลงทางด้านขวามือนี่นะครับโดยผ่านโดงทึบ เพ่อมุ่งเข้าหาบริเวณทุ่งหญ้าสลับไปด้วยลูกเขาเตี้ยๆซึ่งเคยเป็นนครร้างเรียกในแผนที่นี้ก็ว่านิทรานาครหรือนครหลับไม่รู้ตื่นและนี่ก็คือเป้าหมายอันดับต่อไปของเราครับทุกคนมองหน้ากันเองแล้วจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวอะไรเป็นจุดสนใจของคุณที่จะบ่ายหน้าไปที่จุดหมายนาครหลับนี่ก่อนระพิน นคิดถามเสียงแผ่วต่ำประสาทส่วนที่หครับหรือจะเรียกว่าสัญชาตญาณของมักคุเทศที่เคยผ่านนรกดำมาแล้วก็ได้ครับมันบอกผมอย่างนั้นระพินตอบเสียงลึกตายยังไม่ละจากลายแทงเก่าที่เคยใช้ตามปกติที่เคยมาในครั้งก่อนผมไม่ได้ผ่านมาโดยทางด้านนี้หรอกครับแต่อ้อมมาอีกทางหนึ่ง ถ้าว่าที่หมายอันหวังไว้มันควรจะเป็นบริเวณทุ่งบนที่ราบสูงอย่างที่วงไว้ให้ดูนี่แหละทีนี้นะ่ะมันเต็มไปด้วยมนมมยามืดและเป็นต้นแหล่งที่ไอ้พวกมอนสเตอร์ติดตามคุกคามเล่นงานเรามาตลอดตอนนี้ผมจะเข้าหามันมั่งเราจะดับกันทั้งหมดหรือจะรอดผ่านพ้นไปได้ก็จุดสําคัญที่จุดนี้แหละ ความจริงผมไม่จำเป็นต้องบอกพวกคุณเพราะไม่ว่าผมจะนำไปทางไหนไงๆพวกคุณก็ต้องตามไปอยู่เดีวอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะฝ่ายคุณเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่ผมก็ยินดีที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว้ว่าผมจะบ่ายหน้าไปทางไหนมุ่งจุดได้ก่อนก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าผมจะไม่มีรับลมคมในอะไรกับพวกคุณเลยระพิน คุณหมายความว่าคริสผู้เงียบอยู่ตลอดเวลาอุทานออกมาแล้วชะงักค้างอยู่แค่นั้นจอมัคุเทศยิ้มเย็นพยักหน้าลงครับใช่ผมจะมุ่งเข้าหาสุสานของเมืองที่ร้างมาไม่รู้สักกี่หมื่นกี่แสนกลับกันนี้ก่อนถ้าผมนำทางไม่ผิดพวกคุณจะได้เห็นซากวัตถุโบราณ ที่อาจมีอายุมากกว่ามาหาพิระมิดไม่ทราบสักกี่เท่าตัวมันเป็นดินแดนมหัศจรรย์มากครับแม่ผมทองผู้ดูเหมือนจะรู้ความในของนิทรานครดีกว่าทุกคนร้องออกมาโดยเร็วว่าทำไมคุณไม่หาทางหลีกเลี่ยงมันใช่ห่างละ่ะนั่นน่ะมันแดนอันตรายขีดสุดของพวกเรานะคุณผมว่าเราเป็นฝ่ายเข้าหามัน ดีกว่าที่จะให้มันเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรานะครับคริสตลอดเวลานะมันเป็นฝ่ายเข้ามารังควานเราก่อนแล้วและคงจะติดตามรังควานอยู่ตลอดไปเราต้องหาทางกำจัดมันซะก่อนและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองของผมที่ต้องจัดการกับมันระพิดแล้วคุณแน่ใจหรือว่า สวรรค์หรือนรกเท่านั้นนะครับที่จะตอบได้เสียงของเขาห้วนเฉียบลงในทันทีข้าวหน้ากระด้างเป็นหินลงตามเดิมยิ้มเกรีย ม, ยมภายใต้คราที่ขึ้นครึมนั้นว่าแต่พวกคุณนะพร้อมที่จะพัจนกับผมหรือไม่เท่านั้นถ้าไม่ผ่านด่านนี้เราค้นไม่พบซากบีห้าสิบสองลำนั้นแน่ครับ เนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบคอยรับมือกับพวกมันอยู่ตลอดเวลารอแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสียทีเพียงพลัมเท่านั้นแต่คราวนี้เราเป็นฝ่ายชารติมั่งแล้วเอาตกลงเอาไหนเอากันสินะ่ะอีกสามชายรวมทั้งเชิดบุตรตอบมาพร้อมกันเหมือนกับจะนัดไว้เบนหันไปซุบซิบสอบถามอะไรคริสอิดใจใหญ่ก็มองมาทางเ้าด้วย ตาตื่นเบิกโพรงนี่ในพรานมันไม่ค่อยจะสนุกซะแล้วล่ะในการที่คุณจะนำพวกเราทั้งหมดเข้าไปประจันหน้ากับไอ้ผีดิบมันไตรแล้วบริวารของมันจนถึงใจกลางถิ่นของมันแบบนั้นน่ะ <c oughs> คุณถ้ามันจะไม่สนุกนะมันก็ไม่สนุกนับตั้งแต่พวกคุณมาจ้างเชิงบังคับให้ผมต้องมาทำงานครั้งนี้แล้วล่ะมอเบล เราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนะครับท่านหนีเรามีทางตายอย่างเดียวแต่เข้าสู้ถึงตัวถึงแดนมันเลยแบบนี้ได้เสียก็รู้กันออกไปเลยละคุณเป็นยังเบิกตากว้างอยู่เช่นนั้นหันไปมองดูเพื่อนสาวคริสตบที่แขนเบาๆก็คิดว่าพวกเราทุกคนตายตั้งแต่มารับทำงานครั้งนี้แล้วเถอะเบร นี้ก็ไม่ต้องมาคิดอะไรอีกแล้วเราก็ตายกันมาหลายครั้งแล้วถ้าว่าก็ฟื้นได้ทุกครั้งด้วยความสามารถของคนนำทางของเราสำคัญอย่างเดียวดูแลสุขภาพทั้งจิตและกายของมคุเทเราให้ดีแล้วกันถ้าสติสัมปชัญญะและร่างกายของเขายังปกติดีทุกอย่างเชื่อเถอะว่าเขาจะนำเราฝ่าฟันไปได้แพทยสาวประจำคณะผู้ถนัดในชวงลกูกีพอพอ ก, การผจญภัย ถอนใจเฮือกเอามือโปะลงไปบนศีรษะของตนเองพึมพำว่าเฮ้คิดผิดหรือเปล่าวะเราที่อาสาสมัครมาในคราวนี้เฮ้อัานที่จริงฉันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รักงานก็ได้นะตั้งแต่วันแรกที่หน่วยเหนือเรียกตัวถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะได้ความอย่างนี้ ระพินมองมาที่ผู้พูดโ ด, ดยสายตาปลุกปลอบยิ้มให้นิดนึ่งเขาเข้าใจเบรดีหล่อนก็งองแงไปเช่นนั้นแหละแต่ธาตแท้ของแม่ผมแดงผู้มีเรือนกายรากระเจ้าแม่ประโลมโลกีเข้มข้นต่อภัยพิบัติทั้งปวงไม่น้อยหน้าไปกว่าผู้ร่วมคณะคนอื่นเลยแม้จะอ่อนแอกว่าคริสติน่าไปบ้างก็ตาม ก็น่าเสียดายนะคุณที่เราติดต่อกับสถานีลอยของพวกคุณไม่ได้ผลไม่อย่างนั้นคุณอาจขอกลับใช้เดี๋ยวนี้ก็ได้นี่โดยเขาส่งยานทางอากาศมารับคุณกลับไงเบนหัวเราะ <c oughs> ฉันยังไม่กลับร้องนายพรานจนกว่าจะได้ทดลองเมกเลฟกัมมันไรดูสักครั้งก่อนคงพีลึกกึกือออกรถออกชาติดีพี่ลึกนะแล้วคุณว่าไง อย่าทำเล่นไปนะเบลผมกรคิดแล้วก็ดอกเตอร์สแตนลีย์สามคนพร้อมๆกันก็คงเทียบไอผีดิบหมื่นปีตัวเดียวนั่นไม่ได้นะคุณเชิดวุตบอกมาทุกคนหัวเราะครึกครืน้นขบขันเป็นครั้งแรกนอกจากกระพินเท่านั้นที่เพียงแต่ยิ้มยิ้มเขาสบายใจแล้วในคำพูดเล่นอันแสดงถึงความไม่ประวันพั่นพรึงของอิสเบร ระพินกล่าวขอตัวกับพวกนายจ้างขณะที่พับแผนที่เก็บเอาล่ะครับเป็นนั้นว่าได้ข้อยุติแน่นอนแล้วนะครับสำหรับแผนเดินทางพรุ่งนี้ก็อยากจะแนะนำว่านอนพักเอาแรงกันไว้เถอะครับผมจะไปประชุมคนของผมก่อนขอเวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นและจะกลับมานอนรวมกลุ่มด้วยตามคําสั่งของดอเตอร์ครับกล่าวจบ เขาก็พละไปยังพวกพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบที่กำลังนั่งสนทนาพิงไฟกันหนาวกันอยู่ขณะนั้นเวลามันยังเพียงแค่สองทุ่มเศษเท่านั้นและทุกคนก็ยังไม่ง่วงระพินเรียกพรานทั้งสี่ของเขาพร้อมทั้งหัวหน้าลูกหาบเข้ามาบอกให้ทราบว่าวันรุ่งขึ้นจะายหน้าไปในเส้นทางใดทุกคนรับฟังอย่างสงบ เพียงแต่บุญคำเท่านั้นที่ถามเบาๆว่านายนายคิดดีตัดสินใจแน่นอนแล้วเรอคิดดีที่สุดแล้วแล้วก็ตัดสินใจดีแล้วด้วยตะคำถ้าเอามันไตกรกะเวทมนต์ของมันให้พินาฏลงไปไม่ได้เรานี่แหละจะเป็นฝ่ายพินาฏเอาล่ะใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้จันขยับตัวอย่างอึอดอัด นายครับสำหรับตัวนายเองหรือพวกจันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกไงก็พอจะเอาตัวรอดกันไปได้แต่พวกนายฝรั่งกับไอ้พวกลูกหาบนะสินายคิดว่านายจะช่วยได้ทันเหรมันหลายคนอยู่นะนายเราก็เสี่ยงกันมาแล้วนี่จันจะเสี่ยงต่อไปอีกไม่ได้เหรอเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะ่ะไม่ได้แล้วต้องเป็นฝ่ายรุกบ้าง ลูก ป, ปืนของเราก็ลงอาคมกันไว้หมดแล้วไม่ใช่เหรอประโยคหลังเขาเหลือไปทางบุญคำซึ่งนั่งเอามือลูบหัวทำปากหมุบหมิดหมุบหมิดเหมือนจะสวดภาวนาอะไรอยู่พอถูกถามแกก็ยิ้มแห้งๆก็จัดการไปแล้วยอย่างที่นายเห็นแล้วก็เลยด่าบุญคำนั่นแหละส่วนมากก็เป็นลูก ป, ปืนของฝ่ายเราเท่านั้น ของพวกนายฝรั่งยังไม่ได้เอามาเข้าพิธีที่นายเรียกว่าดิรัชานวิชาเลยแต่จะมีก็ของนายทหารเชิดพุตรเท่านั้นแต่ของพันนีน่ะนายเก่งกว่าบุญคำนายรู้ดีอยู่แล้วนี่บางทีมันก็ขลังมีอิทธิฤทธิ์ได้จริงบางทีมันก็ไม่ขลังเมื่อทิ้งเวลาห่างไปนานๆต้องมีการเข้าพิธีปลุกเสกกันไว้เสมอ แต่ถ้าที่บุญคำทำไว้แล้วฉันก็เห็นได้ผลดีนี่ป้องเป็นลมป้องเป็นลมน้าลมแล้วก็ไม่เห็นตัวไหนลุกขึ้นมาได้อนอกจากพวกของมันหรือไอช้างผีคงจะหิวไปเองถ้าเรายิงมันได้ตัวละนัดลมแล้วจะเองใจไปได้มากสําคัญว่าถูกลูกปืนอาคมหรือยังเสือกเดินปรีเข้ามาได้อีกนี่สิพวกเรามีอยู่เท่าไหร่ก็มีหวังถูกมันหักคอหมด เขาพยายามพูดให้กำลังใจและย่างหางเสียงพรานเท่ามือขวาคู่ใจเจ้าตำรับพ่อมดหมอผีนายถามจริงๆหน่อยเหอะแกจ้องหน้าเ อ, อมามั่งลูกเบินของนายไม่ได้เอามาเข้าพิธีสกปรกของบุญคำสักกันหน่อยแต่ระยะหลังตอนที่มันไต่ขึ้นไปเล่นงานเราบนหน้าผาตะเคียนทองทำไมนายถึงยิงโป้งลง ป้องลมทุกตัวไปเหมือนกันทิ้งทราบไว้เป็นหลักฐานให้เราเห็นทนโถในตอนรุ่งสว่างเวทมนตของไอ้มันไรไม่อาจจะมาสิงสู่บังคับไปลุกขึ้นมาเดินได้อีกแปลว่าไอ้ผีดิบที่ถูกลูกปืนของนายก็เสียใช้งานไม่ได้ไปอีกเลยนายเองไม่ได้เล่นทั้งดิราชานวิชาแต่นายใช้อะไรขอบุญคำรู้มากอีก คราวนี้เขาเป็นฝ่ายอึ้งไปบ้างชั่วขณะยิ้มขรึมขึมข ม, มันออกจะเป็นการยากที่เขาจะอธิบายให้บรรดาคนของเขาทั้งหลายเข้าใจได้เพราะพื้นภูมิการศึกษาในทุกด้านแตกต่างกันมากมันก็อาจจะเป็นบางทีหรือบางครั้งเหมือนอย่างที่บุญคำว่านั่นแหละในกรณีที่ลูกปืนของฉันมันเกิดกศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา ทำให้ไอ้ผีตายซากหมื่นปีพวกนั้นถูกเข้าไปแล้วกริยาอาคมของมันไรจะหวนกลับมาบงการในซากนั้นไม่ได้ปุนคำก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าถึงแม้ฉันจะเป็นคนขาดศีลในเรื่องทาําบาปฆ่าสัตว์แต่ฉันก็มีสัจจะเป็นอาวุธนำหน้ามีสมาธิกิดมั่นคงมันทำให้เกิดตะบะบารมีขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็เป็นเฉพาะตัวของฉันเองเท่านั้นนะ ไม่สามารถจะไปทำให้คนอื่นได้หรอกผิดก็ของบุญคำที่ทำแจกจ่ายให้ใครต่อใครก็ได้ <c oughs> นายแล้วก็หวววิชาปิดวิชาอีกแล้วบุญคำบ่นเงืงอมเงมงอมงไม่ได้หวงแล้วก็ไม่ได้ปิดบุญคำเลยทุกคนนี่แหละทันได้อย่างฉันแล้วหรือยังนะไอชนิดไม่ลักขโมยใครไม่โกหกสื่อสัตว์กระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มันระลึกถึงเคารพบูชาท่านอยู่เสมอโดยไม่ลบลูไม่มากไปด้วยกิกเล ต, ตันหารับปากสัญญาอะไรกับใครไว้ก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่แอบดูผู้หญิงแก่ภาพบน้ำพ่อพ่อพ่อพ่อพอได้แล้วโอ้ยบุญคำไม่อยากเอาวิชาจากนายแล้วพาพ่าดีบุญคำรีบโบกมือขัดขึ้นทันทีทาหน้ายักใส่เขา หลอกดาอีกคำเรื่อยเรื่องแค่ดูแค่นี้เท่านั้นไปเอาของเขามาก็ไม่ได้เห็นตะลิงแต่ข้างเสือสิงกะทิงแรกจะขอมีอาหารตาหมั่งไม่ได้ชีวเลือลตาของบุญคนะัน่ะดูเป็นภาพศีลน่ะนายก็โทรไม่ได้ดูในลักษณะลามกอนาจารหรือว่าคิดเป็นในทางอากุศลบุญคำเดินป่ากับนายโดยมีผู้หญิงมาด้วยกี่ครั้งแต่กี่ครั้งแล้ว นายเคยเห็นบุญคําบางอาจปลุกปล้าทำอุบาทกะใครมัง่งต้นไม้มันสวยสำหรับนายแต่ผู้หญิงนะแกผพาก็สวยสำหรับบุญคาเราจะชมธรรมชาติกันไปคนละอย่างไม่ได้หรือไงจันซื่ยและเกิดหัวรอกันคืนในคําคมของตาเท่าระพินเองก็อดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้ไอเรื่องคารมแล้วเขาไม่เคยเห็นบรรดาพรานป่าพื้นเมืองคนไหน จะเลี้ยวรถฉับไวแก้ปัญหาไปได้สารพัดอย่างเท่าบุญคำจอมแก่นคนนี้ไปได้การเรียนหนังสือน้อยก็จริงแต่พบเห็นเรียนรู้โลกมามากซ้ำยังมีโอกาสอยู่ใกล้บัณฑิตมากกว่าพวกชาวป่าทั้งหลายปากเหมาะภาษาอเมริกันหรือเยอรมันบางคำแกก็ยังฟังออกโดยเฉพาะคำสบทหรือคำหยาบคายลามกประเภทใต้สะดือเออออออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อ ยอมแพ้เอาละไม่ว่าอะไรแล้วเป็นอันว่าบุญคำก็มีดีอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้แค่แอบดูเท่านั้นยังไม่ถึงกับไปปลุกปล้ำคมขืนหรือจับต้องรวนลามอะไรเขาเออนี่ก็เป็นความดีอย่างนึงจันหัวรอกกึกๆๆกกกสอดมาว่านายพี่คำอ่ะจริงๆก็อยากโอเหมือนกันแหละไม่เชื่อลองให้แม่มคนไหนมานอนแผลกัดี ที่ยังไม่กล้าแล้วก็อ้างวอาเป็นความดีก็พราะกลัวแม่มทีบกระเด็นออกมาอย่างนึงอีกอย่างกลัวถูกนายกระทือบชะมากกว่าทานายรู้เข้าฮ่าจิกหนีจันเดี๋ยวพระดหัวแม่ตียนก็ไปกวนในคอหอยตัเลยบุญคำวักออกมาแล้วถีจันหกขำเมนเข็นเคลงไปขยับจะลุกขึ้นไปซ้ทตามกลางเสียงหาครืนของพวกลูกน้องแต่รพิงกดไหลไวไ้ซะก่อนให้แกนั่งลงตามเดิม เสียงบุญคำยังด่ากระหมงฉงเฉงว่ะนี่ว่าถึงเรื่องงานสำคัญดีกว่าอย่าไปแก้เกี้ยวไล่เตะคนที่เขารู้ทันเนี่ยนะตะคำอุย้ยหมดหมดูดว่ะต่อไปนี้พวกมึงตัวใครตัวมันกันแล้วกันไอพวกลูกขุนปล่อยพยักสังเติมกูอยู่เรื่อยต่อไปนี้พวกมึงแก้ไขเอาเองกันแล้วกันนะกูน่ะสบายมาก ยังดีก็กลายเป็นไอ้ผีดิบมันตูไปอีกคนคู่ไปก็ไอ้มันตายแล้วครานี้กูจะเสียไปหมดไม่เหลือไปสักคนสําหรับนางพวกแย่ยั่วกามทั้งหลายจันยกมือไหวปรหลกุปลกปหลกุกพูดพลางหัวรอบพลางโอ้พี่กามโทษทีโทษทีโอ้พี่คำด้วยต่อไปนี้ไม่แซวอะไรอีกแล้วโถโถล้อเล่นหน่อยเดียวเท่า น, นั้นอ่ะเฮ้ยฮยฮย เมอกมึงเรียกครูว่างนะปุ่นคำแยกเคี่ยวชี้หน้ามาจันทำหน้าหรือหลาขณะที่เกิดเซยแล้วหัวหน้าลูกหาบหัวรอกันมอหายอ้าวฉันก็เรียกพี่คำว่าพี่คำนะสิะแต่กูสาสาว่าจะมีคำต่อท้ายด้วยน่ว่าบอกมาได้จันเรียกกูเมอกี้ว่า ง, ง่ฮะ ถ้าทางแกจะเอาเรื่องอีกแต่เกิดและเสยช่วยกันยึดแขนไว้ไม่เห็นลุกขึ้นเต้นหันุมานช่วยกันแก้ตัวให้ว่านาลุงหูฝาดอะ่ะหน้าจันเขาก็เรียกว่าพี่คำด้วยความนับถือนั่นแหละหูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหูหาเรื่องหูไม่ดีหูกูดีทำไมหูกูถึงจะไม่ดีวะ แ่หันมาตาวาดพรานเด็กหนุ่มทั้งสองลัน่นโกรธหัวฟัดหัวเวียงชี้หน้าจันผู้กำลังหัวรอคิกๆๆอยู่อีกลูกอีช้างลงโกรกถึงของกูจะดังกูก็ดำเด็ดนะโว้ยจะลงฝินผสมน้ำมะเขือคืนด้วยฮใครเจอเข้าไปเห็นครางอ๋อยเรียกหากูทุกนางไปหรือมึงจะพนัน ก, กับกูฮะไอ้จัน ระพิงจุปากลั่นยกมือขึ้นโบ่พอพอพอหยุดกันดีงานเป็นงานไอเรื่องตายมันรออยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วจังมาเล่นอะไรไม่เป็นเรื่องกันอยู่อีกไอพวกนี้ปาคกคาก็ไอปากเสียปากชั่วอย่างนี้ยังไงล่ะถึงใชาในทางพระพุทธพระคุณไม่ขึ้นได้แต่ในทางคุณไสยจันไรวิชาซึ่งมันก็ไม่จีรังถาวร อ, อะไร ไปเจอของประเภทเดียวกันที่มันเหนือกว่าก็วิ่งโตชี้ป่าราบไปมามาพูดกันเรื่องงานมันรู้เรื่องสัทีก็นายสั่งมาสิจะเอายังไงลุยไปลุยไอ้คาน่ามายันรอ้อเคยมาแล้วไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยนี่แกตอบสะบัดสบดัสงบกิริยาลงแล้วแต่ก็ยังไม่วายคอนประหลับปะเหลือไปทางเจ้าลูกน้องทั้งสามตัว แล้วก็พานทุบหลังหัวหน้าลูกหาบสิตุบนึง่งเพราะยังหัวร่อตัวหงิกตัวงออยู่นี่ฟังนะในการมุ่งเข้านิทรรศนครเผชิญหน้ากัมมันตรและบริวารของมันคราวนี้ไม่ว่าช้างผีสิงหรือพวกผีดิบหมื่นปีที่มันขนไปออกมาจากป่าช้าเอาบริวชันโม่ใไปเป็นหน้าที่ของบุญคำรับผิดชอบโดยดูแลไอ้พวกนี้แล้วก็ลูกหาไว้ทุกคน ส่วนทางด้านเจ้านายนะเป็นเรื่องของฉันเองตาเท่าฮือในลําคอหันไปทางลูกน้องว่างไงว่างไงพวกมึงไอ้พวกปาคอยปักมีจันเกิดและเสรยยกมือวันทาท่วมหัวโอ้ลูกช้างขอฝากตัวด้วยจ้ะพระอาจารย์คำแต่พระอาจารย์ พ, รพูดผิดนะ เขาเรียกว่าปากหอยปากปูไม่ใช่ปากหอยปากหมีไอปากแบบนั้นน่ะเป็นเป็นปากของพระอาจารย์เองต่างหากประโยคสุดท้ายไม่ทราบเป็นเสียงใครในหมู่สามคนที่เล็ดลอดบีบเสียงออกมาซึ่งบุญคำถลึงตามองแต่หาตัวคนพูดไม่พบนอกจากคอเมนจ้องไปทางเกิดกระสืสองคนและตะคอกออกมาว่า เอาละตอนหน้านายที่มีวิชาดีนี่แหละพวกมึงเอาลูกปืนมาวางกองไว้ตรงหน้าก็เดี๋ยวกูจะตรวจดูให้ว่ายังใช้การได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องปลุกเสกลงเลขยันยังไงต่อไปหลายวันมาแล้วจากวันทำพิธีจันไรของกูตอนนี้อาจจะเสืิมไปแล้วก็ได้แล้วพวกมึงก็จะตายหากันยั้งกระเขยด พรานลูกน้องทุกคนรีบกระวีกระวาดงัดเอาลูกไรเฟิลที่มีประจำตัวอยู่ในขณะ น, นี้ออกมาวางกองไว้บนผ้าเข้ามาของแต่ละคนตรงหน้าแล้วพากันยิ้มแห้งๆเมื่อศบตาแกที่แลทะลึงถึงหน้าบูดมารพินยิ้มยิ้มตกมาที่ไหล่ของแกเบาๆน่าบุญคำใจเย็นๆไว้อย่าไปโกรธเคืองอะไรมันเลย แต่ละคนมันก็เปรียบเหมือนลูกลูกหลานทั้งนั้นมันเสียท่าศัตรูล้มหายตายจากไปบุญค้ำก็จะลำบากนอกจากจะต้องแบกของหนักคนเดียวแล้วยังไม่มีลูกไล่สำหรับจะเตะทีเล่นอีกนะช่วยมันหน่อยนึกว่าเห็นกับชั้นก็แล้วกันเวลาจะหลอกใช้แล้วก็พูดดีนายกูแต่พอได้โอกาสทีไรเป็นให้ไทยพวกนี้แย่บุญค้ำทุกที ตัวเองนี่ก็ออกบราดเปลืองเรื่องริษไม่ยอมช่วยลูกน้องโยนหน้าที่มาให้คำมพมดไม่ใช่ไม่ช่วยก็บอกแล้วไงว่าเราแบ่งหน้าที่กันบุญคำนะ่ะทาไมแน่จริงก็คงไม่บุกป่าฝาดงร่วมกับฉันมาได้ทุกวันนี่หรอกจอมพรานพูดมาอย่างเอาใจยันคางช้ า, ชาของเสนีย์จันไร ก็ต้องแก่กันด้วยความเสียดจันไรเกลือก็ต้องจิ้มเกลือแล้วนายอย่ามาว่าคราวหลังก็แล้วกันบอกก่อนบุญคาจะทดลองตรวจ ด, ดูคุณใสที่ลงไว้ในลูกปืนของไอ้พวกนี้ทุกนัดว่ายังใช้งานกับไอ้ผีหมื่นปีพวกนั้นได้อยู่อีกหรือเปล่านายก็อย่าใช้อาคมของนายมาสกัดกั้นไว้นะไมยงั้นตรวจสอบไม่รู้เรื่องด้วยรพินพยักหน้าเอา ตามสบายแต่ฉันจะนั่งดูอยู่ด้วยแล้วกันบุญคำสูดลมหายใจลึกขยับตัวนั่งขัดสมาธ์หลับตาลงมือทั้งสองวางซ้อนกันอยู่บนตักแกก็แน่จริงเหมือนกันไม่มีพิธีรีตองอะไรมากก่อนจะสงบนิ่งไปหันมาบอกว่าเอาละทุกคนเงียบเงียบ ห้ามทําอะไรให้เป็นการทําลายสมาธิของกูไปนานขาดนะตามองดูที่กองลูกปืนของพวกมึงรอสั ก, กเดี๋ยวถ้ากูเป่าพรวดลงไปกลางวงล้อมนี่แล้วเห็นลูกไหนนัดไหนมันกระโดดขึ้นเต็นยองยังย่องแยงได้เหมือนกบเขียดให้เก็บลูกปืนนัดนั้นขึ้นมานัดไหนมันนิ่งอยู่กะที่โดยไม่ขยับถ้ายิงมันไว้ก่อนอ้าระวงังกูจะนับเลยนะ ไม่นานรอกแค่สามสีนาทีก็รู้เรื่องความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณนั้นทันทีทุกคนที่นั่งล้อมอยู่สงบปากคำเงียบกริบหมดอาการเล่นนอกจากจะจ้องดูลูกปืนที่กองวางอยู่บนผ้าเข้ามาของแต่ละคนนี่รพินไพรวันเองก็เงียบเช่นกัน ปล่อยดวงจิตของเขาให้สงบและว่างเปล่าเพื่อเปิดทางให้แก่สัยเวทอาคมของบุญคำอย่างเต็มที่เวลาผ่านไปอย่างสงบเงียบได้ยินแต่เสียงฟืนในกองไฟที่ก่อไวป้ปะทุเปริพระปริประเป็นระยะระยะ แล้วปรากฏการณาประหลาดก็อุบัติขึ้นกับสายตาของระพินและพรานพื้นเมืองของเขาทุกคนที่นั่งสงบใจจ้องดูกองลูกปืนตรงหน้าตนเอกรายล้อมอยู่รอบๆตัวบุญคำเหมือนการสัญแดงมายา ก, กลแต่มันก็ไม่ใช่บุญคำผู้นั่งบริกรรมนิ่งอยู่ก้มลงมาอมลมแก้มโปง่งเป่าพล u ะลงมากลางวง กองลูกปืนของแต่ละคนที่นำออกมาวางอยู่บนผ้าเขามาตั้งอยู่กับพื้นตรงหน้าสํมแดงอาการพลิกหมุนกยับตัวดิ้นไปมากระทบกันกึกกักราวกับสิ่งมีชีวิตประจักษ์ชัดกับทุกสายตาแม้แต่ระพินเองผู้เฝ้าจับตาพินิษดูอยู่ครั้งแรกมันก็เบาๆก่อนทุกกองมีอาการเหมือนกันหมด บุญคำยังไม่ลืมตาภายหลังจากเป่าลงมาแล้วก็ดึงกายกลับไปนั่งบริกรรมตามเดิมอีกเริมฝีปากมุบมิบโอมอ่านหรือท่องบนอะไรของแกครั้งแรกก็ไม่มีเสียงแต่เริ่มจะปรากฏเสียงผ่านปากก็มาดังขึ้นทุกขณะและเมื่อแกยิ่งรัวเสียงท่องคาถาเร็วขึ้นเท่าใดก็เหมือนจะเป็นการเร่งให้บรรดาลูกปืนเหล่านั้น มีปฏิกิริยาของการเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นเท่านั้นครั้งแรกมันขยับกลิ้งหมุนไปหมุนมาต่อมาตะละนัดก็หมุนตัวเป็นวงกลมและบัดนี้สภาพของมันไม่ผิดอะไรกับข้าวตอกแตกปะทุอยู่กลางกระทะทายที่คั่วอยู่กระโดดขึ้นจากพื้นเป็นโกลาหลนไปหมดบางนัดกระโดดเหมือนถูกจับโยนขึ้นมาสูงจากพื้น ร่วมฟุตท่ามกลางการนั่งจ้องเบิกตาโพรงของเกิดเซยจันและหัวหน้าลูกหากที่เข้ามาร่วมวงอยู่ด้วยพวกนั้นพากันร้องครางฮือกันออกมาพร้อมๆกันริวนัดไหนมันกระดิกหรือกระโดดได้เก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสียงตาเท่าเจ้าคาถาร้องบอกมาทั้งที่ยังหลับตาอยู่ จะพวกสี่คนที่ล้อมวงดูลูกปืนของตอนเองอยู่รีบกระวีกระว่าตะครุบลูกปืนนัดที่เต้นพลานเหมือนตะ ก, กะแตนกระโดดเหล่านั้นลงย่ามในทันทีโดยเลือกเอานัดที่มันเต้นแรงๆขึ้นมาก่อนแล้วก็คอยจ้องเก็บไปตามลําดับนัดที่ยังเหลือวางอยู่กับพื้นโดยไม่ขยับขยื่อนก็เริ่มเคลื่อนไหวต่อไปและในที่สุดก็แต่งยองแหยงยองแยงขึ้นมาอีกอย่างมหัศจรรย์ยิ่ ต่อมาชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นกระสุนของแต่ละคนที่นำมากองไว้ก็ถูกรว่วเก็บขึ้นมากำแน่นอยู่ในมือของเจ้าของแต่ละคนเพราะไม่มีนัดไหนเลยซักนัดที่จะอยู่นี่โดยไม่โลดเต้นขึ้นมาอย่างต่ำที่สุดก็กระโดดสูงจากพื้นสองสามนิ้วเอาส่วนปลายลงบ้างส่วนหัวลงบ้างมีอยู่นัดหนึ่งในกองของเกิดดูจะเฮี้ยนจัด ดีดลอยสูงขึ้นไปเหนือศีสะของทุกคนร่วมว่าและเป็นนัดสุดท้ายซะด้วยขากลับตกลงมากระทบกลางกระบาลของเจ้าของดังโปก๊กแรงเรากะใครมาเขยขัวจนเจ้าตัวร้องอ๊กยกมือคลำหัวป้อยนัดนั้นก่อนจะกระเด็นตกลงพื้นรับพินเอื้อมมือไปคว้ากำไว้มันสงบนิ่ง อยู่ในอุ้งมือของเขาบุญคำลืมตาขึ้นช้าๆแล้วมองไปยังลูกน้องแกทุกคนถามว่ามีมั่งไหมวะที่ไอ้นัดไหนมานอนนิ่งอยู่เฉยๆโดยไม่ยอมกระดิกอ่ะทุกคนไม่ตอบแกแต่พนมมือไหว้ท่วมหัวอย่างปิติยินดีและเลื่อมใสยขยะริบ พระอาจารย์บุญคำแน่จริงๆให้ตายเถอะแบบนี้ต่อให้โคตรของไอ้มันใจก็ขอยมันเรียงหน้าขนเข้ามาเถอะเสยพูดขึ้นแล้วก็ไม่พูดเฉยๆลงทุนโก่งโค้งกราบเลยทีเดียวปวกเองดูไว้เห็นเป็นขวัญตานี่ทาไม่ใ่พร้นนายข้าก็ไม่ทำให้ดูซึ้งๆหน้ารกัก ต่อไปนี้พวกเองไม่ต้องกลัวอะไรไอ้พวกนั้นอีกแล้วตูมไหนตูมนั้นทุกที่ไหนก็ได้รับรองไม่มีวันกระดิกเคลื่อนไหวได้อีกเลยโหแต่ข้าไม่ดีจริงข้าก็เดินตามหลังนายราพินมาไม่ได้จนทุกวันนี้รอกวะแล้วก็จําไว้ด้วยแกชี้หน้ากราบสำทับคราวหลังอย่าเสืกมาทะลึ่งกระขายอีก พอจะสั่งให้ลูกปืนผีลงพวกนั้นเข้าไปใต้อยู่ในท้องของพวกเองไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูก็ได้ลูกน้องพรานทุกคนยิ้มแ ย, แย่ๆไม่มีใครบังอาจกระซ้าเย้าแย่ต่อปากต่อคำกับพรานเท่าเอาโสอีกได้แต่ยกมือไหว้กันประปลุบตาเท่าหัวร่อฮือๆในลำคอแล้วเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่เจ้านายบอกมาว่า ย่าว่าแต่คุณสาอาคมของไอ้มันไตรที่จะมาสิงสู่บงการบกบริวารของมันเลยนายต้อยพวกมันพกเหล็กไหลมาด้วยก็ไม่มีวันเหลือหรอกเจอลูกปืนเข้าพิธีของบุญคำเข้าเป็นกระจุยหมดสิ่งที่มันกําลังเล่นงานเราอยู่นะเป็นสิ่งอัปมงคลเราก็ต้องแก้มันด้วยสิ่งอัปมงคลเหมือนกันส่วนนายจะใช้ทางมงคลวิชาของนาย ก็ใช้ไปเถอะคุ้มครองบอกฝรั่งไว้ให้ได้ด้วยกันแล้วกันจอมพรานพยักหน้าลงเขาเองก็อดไม่ได้ที่จะต้องยอมรับนับถือแกในเรื่องนี้ตกลงก็บอกแล้วไงว่าเราแบ่งหน้าที่กันกระสุนทุกนัดยังใช้การได้ดียิ่งปลุกเสกซ้ำมันก็ยิ่งแรงริตสำคัญก็แต่ว่าอย่าให้ปืนแตกก็แล้วกัน แล้วก็อย่าให้การเกงในของแหม่มสองคนาหายบ่อยนะักเขาจะสงสัยเอาได้บุญคำหน้าเจื่อนลงนิดนึงแล้วก็วางขลุมตามเดิมโอ้ไนมันก็แข่ยืมมาเข้าพิธีหน่อยเดียวเท่านั้นแหละโชคยังดีที่เจอเรื่องอุบาทที่ไรเรามีผู้หญิงมาด้วยทุกทีก็ยังพอได้อาศัยนี่ทํามีเฉพาะผู้ชายล้วนๆบุญคาก็เห็นจะจนบัญญาเหมือนกัน ส่วนที่นายว่าปืนจะแตกโหรับรองไม่แตกสินะ่ะส่วนเสียมันก็มีแค่อย่างที่นายเตือนไว้แหละปืนของพวกเราคนไหนใช้กระสุนลงอาคมแบบนี้ต่อไปก็ใช้ยิงสัตว์เพื่อหวังกินเนื้อไม่ได้สะดวกแล้วเพราะเนื้อสัตว์มันจะเน่าเร็วกว่าปกติแต่บุญคํามีพิธีช่วยล้างอาถรรพ์ได้ขอให้เราแน่ใจว่าจะเลิกใช้กระสุนพวกนี้สักก่อนเท่านั้น าโรเรียนผูกได้ก็ต้องเรียนแก้ได้สินายได้ทีตาเท่าเริ่มคุยโวตามประษาของแกเระพินหัวเราะเบาๆเอเอเก่งเมื่อเรียนผูกได้แล้วก็เรียนแก้ได้ไหนลองแกะกระสุนนัดนี่ดูสิกล่าวจบเขาก็โยนกระสุนนัดที่ลอยสูงขึ้นไปจากพื้นมากผิดปกติ แล้วก็หล่นลงมากระทบหัวเกิดจนเจ้าตัวครางอู้ซึ่งเขาคว้าเอาไว้ได้แล้วกำอยู่ในมือขณะ น, นี้ไปให้แกบุญคำรับไว้ด้วยสัญชาตญาณพอคว้าหมับได้แกก็สะดุ้งโหยงร้องออกมาอย่างตกใจว่าเฮ้ยอะไรกันนี่นัดนี้ทำไมมันถึงร้อนกีอย่างกับไฟลนแบบนี้ล่ะนายก็นั่นนะสิทำไมมันถึงได้ร้อนแบบนั้น บุญคำเก่งมากที่ปลุกที่จนมันกระโดดสูงขึ้นไปตั้งว่าผิดไปจักทุกนัดล่นลงมาโดนหัวเกิดตะกี้แต่ฉันรับโอไว้ได้ไงเก่งจริงลองแก้ดูสิถ้าแก้ไม่ตกแล้วก็มันกำลังจะระเบิดใส่มือบุญคำในไม่กี่อึใจขึ้นหน้าเนี่ยนะเพราะมันร้อนจี๋ขึ้นทุกขณะแล้วเป็นจริงตามที่เจ้านายว่าบุญคำตาเหลือก 0.375 แมก น, นัดนั้นมันร้อนผิดสังเกตจนแกแทบจะถืออยู่ในมือไม่ไหวพยายามเป่าลงไปสองสามครั้งมันก็ไม่คลายความร้อนลงมีแต่กจะทวีขึ้นทุกทีเหมือนถูกไฟลนในที่สุดแกก็รีบลนลานโยนกลับคืนไม้เขานายนายนายช่วยทีที่บุญคำเอามันไม่อยู่แล้วมันกำลังจะแตกแล้วน า, นาย รพินรับปรับคืนมักกรรมไว้ในมืออีกครั้งหนึ่งหัวร้อฮืฮ <c oughs> อเอเาแต่คำไหนว่าเรียนผูกได้แล้วเรียนแก้ได้ยงไงเป็น ไ, ไงคราวนี้แก้ไม่ได้ไงน่ า, นายมันระเบิดแน่นะ่ะอินัรแน่มาเอาเรื่องแน่แล้วแล้วทามันโต้ขึ้นมาตางวงนี่มันก็หลุกระเบิดย่อยๆดูดีๆนี่เองโอ้ไหนจะหัวกระสุนไหนจะสะเก็ตปลอกนายมีดีกว่าบุญคำแก้ดีเฮานาย สมุนมือขวาจอมแก่นของเขาโวยวายมาละล่ำละลักตั้งท่าจะเพ่นหนีเอาตัวรอดออกไปจากวงที่นั่งกันอยู่แต่รพินคว้าไหลได้ทันกดให้นั่งลงตามเดิมบอกมาเสียงเรียบๆว่านี่ตะคําจำไว้คุณใสจันไรวิชามันให้คุณกระเจ้าของได้ก็ให้โทษกระเจ้าของได้เหมือนกันมันก็เหมือนกับกระสุนนัดนี้เป็นตัวอย่างนะ นี่มันกำลังจะทำพิษออกกระบุญคำแล้วแล้วถ้าไม่รู้จริงแก้ไม่ตกมันก็จะเกิดภัยกับพวกเราก่อนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาะฉันจะแก้ให้ด้วยมงคลวิชากล่าวจบระพินก็เอามือที่กำกระสุนอันร้อนจีนัดนั้นยื่นไปเบื้องหน้าความดานฝ่ามือลงกับพื้นดินเพ่งกระแสจิตกลั่นใจภาวนาเรียกอาโปทาต สงบนิ่งไปเกืงอืดใจความร้อนจากลูกปืนนัดนั้นที่กำลังทวีขึ้นทุกขณะบัดนี้ลดลงในทันทีจนกระทั่งกลายเป็นเย็นเยือกมีไอ้น้ำเกอกราวกะแช่ไว้ในตู้เย็นในช่องน้ำแข็งแล้วก็โยนลงไปตรงพื้นเบื้องหน้าของทุกคนทําเอาทั้งหมดสะดุ้งโยงขยับจะเพ่นเพราะกลัว ม, มันจะระเบิดขึ้นอ่ะประค ลองหยิบขึ้นมาดูใหม่สิแล้วดูว่ามันเป็นยังไงมั่งเขาบอกต่อมาเรียบๆเช่นเดิมบุญคำทําท่าปลอดๆใจจริงแกก็อยากจะลุกขึ้นเล่นไปให้พ้นรัศมีโดยเร็วที่สุดแต่เมื่อเจ้านายบอกเตือนมาอีกครั้งจึงแข็งใจหยิบขึ้นมานายแกร้องหน้าตาตื่นนี่นี่นี่นายตอนนี้มันยังเจี๊ยบยังกัดก้อนน้าแข็งเลย แล้ว ก, ก็ส่งเวียนไปให้พักพวกลองจับคลัมดูทุกคนหันไปมองหน้าพรานใหญ่ผู้เป็นเจ้านายเป็นตาเดียวโอโ้โหพุทังทำมังสังคัง น, นี่นายทำได้ยังไงนี่เสียงจันอุทานออกมาเบาๆนี่ฟังนะทุกคน่ะความร้อนก็คือาธาตุไฟความเย็นก็คือาธาตุน้ำก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอก เพียงขอาธาตุนานจากแม่พระธรณีให้เข้าไปดับความร้อนในลูกปืนนัดนั้นเท่านั้นตอนนี้แกปดินปืนน่ะมันเปียกชื้นไปหมดแล้วต่อให้ยิงก็ไม่ลั่นกระสุนนัดนั้นก็ยิงไม่ได้อีกแล้วทิ้งมันไปใช่เอาละเรามาลองอะไรกันเล่นๆพอหอมปากหอมคอของจริงที่เราจะพบและใช้วิชาของเรานะ่ะมันรอคอยอยู่ข้างหน้าแล้วขอให้ทุกคนนอนหลับให้สบายเตรียมตัวสาหรับวันพรุ่งนี้ คือนี่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นแหละเอานะพบกันใหม่ตอนย่ำรุง่งกล่าวจบระพินลุกขึ้นเดินกลับเข้ามายังตำแหน่งพักนอนของนายจ้างขณะ น, นี้ประดานายจ้างนอนเรียงรายกันเป็นหน้ากระดานอยู่ภายใต้ผ้าพลาสติกที่ขึงกั้นน้ำค้าง ดูเหมือนจะมีการจัดเรียมแบ่งที่ไว้ให้สำหรับประพินแล้วทางด้านขวามือสุดชิดกับหัวหน้าคณะซึ่งนอนริมอยู่ก่อนแล้วถัดไปเป็นอิสเบลคริสและก็คีตส่วนเชิดวุธนั้นก็ขนาบพริมสุดทางอีกด้านหนึ่งมันแปลว่าผู้หญิงสองคนของคณะถูกนอนกั้นไว้ตรงกลางโดยขนาบข้างด้วยผู้ชายด้านละสองคนซึ่งก็เป็นรูปแบบของการนอนที่ถูกต้องแล้ว และการที่ด็อเตอร์สแตนลีกันที่เตรียมไว้ให้เขาทางด้านของตนก็คงเป็นเพราะประสงค์จะหาโอกาสคุยปรึกษาหาหรืออะไรด้วยก่อนจะหลับนั่นเองซึ่งเขาก็เดาเอาเมื่อพรานให ญ, ญ่หย่อนตัวลงพร้อมกับอัถะบริขารในการนอนของเขาสแตนลี Stanley ก็ขยับตัวเข้าไปอีกแบ่งแบงเก็ตผืนใหญ่เผื่อมาให้เขาขณะที่ระพินเอ็นกายลงนอนงายเหยียดยาว และรูปปิดหมวกลงมาปิดหน้าเสียงมริกันอาวุโสก็เปรยขึ้นเบาๆว่าระพินคืนนี้เป็นคืนที่สองนะนะที่เรามาพักกันอยู่ที่นี่แล้วก็หวังว่าคืนนี้ก็จะผ่านไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรตื่นเต้นที่จะต้องปลุกให้เราพูดพลาดกันขึ้นมาเราหวางหลับนะครับดกเตอร์ผมก็มั่นใจอย่างนั้นะครับนี่รพิน ผมยังอยากจะยืนยันอยู่ตามคำพูดเดิมที่ให้ไว้กับคุณนะคำพูไรครับด็กเตรก็ที่ผมบอกว่านับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งเดือนถ้าเรายังไม่ได้เขาเงินอะไรเลยเราก็จะ่ายหน้ากลับกันละดตร์ครับอย่าไปกังวลอยู่เลยครับเอาเป็นว่าฝ่ายคุณอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็บอกผมแล้วกันแต่สาหรับผมนี่ ถ้ายังไม่ได้ข่าวอะไรผมก็ยังไม่อยากกลับหรอนี่คือความจริงใจของผมครับอืมรพีนคุณนี่หนาวมากนะครับต่อไปไม่ว่าหนาวหรือร้อนจะมากมายกว่าที่เราผ่านพบกันมาแล้วครับดรอเตอร์นี่คุณถ้าไม่มีกรณีพิเศษอะไรออกไปอีกนี่ ต่อไปผมอยากจะให้คุณมานอนร่วมกับพวกเราทุกครั้งที่พักแบบนี้คุณจะขัดข้องไหมไม่ขัดข้องครับด็อร์แล้วก็ไม่เฉพาะแต่ผมเท่านั้นหรอกพรานของผมหรือลูกหาบทุกคนก็อาจจะต้องเข้ามานอนสุมรวมกลุ่มกับพวกคุณด้วยเรียกว่าเรานอนรวมกันทั้งหมดสุดแต่สถานการณ์แต่ละครั้งและรูปแบบของการนอนก็อาจจะไม่เรียงหน้ากระดานเหมือนอย่างนี้ จะต้องนอนในรูปรัศมีแฉกของดาวคือทั้ง2ี่สิคนของพวกเรานอนโดยมีศีรษะหันเข้าหากันและปลายเท้าหันออกรอบทิศป้องกันไม่ให้อะไรมันย่องเข้ามาทางด้านศีรษะของเราแต่ละคนได้ในบางภูมิประเทศและบางทีก็ต้องพักนอนในตอนกลางวันออกเดินทางในตอนกลางคืนตามแถบที่แห้งแล้งร้อนระอุเหมือนทะเลทรายครับจะ ม, ภมีภูมิประเทศอย่างที่คุณบอกแบบนี้เชยเหรอ ระพินครับเท่าที่ผมเคยผ่านมาแล้วมันมีสัตว์ ร, ร้ายหรือสิ่งร้ายอะไรนะเราไม่กลัวครับแต่เรากลัวในความกันดานของภูมิประเทศและภัยจากธรรมชาติแต่ถึงยังไงผมก็เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของความทรหดอดทนของพวกคุณทุกคนรวมทั้งเครื่องยังชีพทันสมัยที่พวกคุณมีติดมาด้วยพร้อมและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อเมริกันอมรุโสพูดคุยอะไรกับเขาอีก รพินก็พูดตักบทว่าคุณนายครับด็อเตอร์ติดต่อกันมาเป็นการปิดท้ายประโยคของเขาจึงหัวหน้าคณะก็เงียบเสียงไปในทันทีเหมือนกันแม้ว่าโดยแท้จริงเขายังอยากที่จะมีอะไรพูดจาซักถามกับระพินต่อไปก็ตามหนึ่งรระยะเวลาตั้งแต่บ่ายของวันนี้ เวลาเดียวกับทีรพินเริ่มแก้ไขพิษแมงมุมหกขาให้แก่คริสติน่าอันคณะทั้งหมดพักแรมกันอยู่บนยอดเขาอินซีเหนือชายฝั่งทะเลสาบใหญ่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คณะของเชษฐาวราริธมาติดชงนัดไม่บางอาจตัดทางเข้าไปในช่องถ้ำใต้ภูเขาซึ่งปรากฏเห็นเป็นรอยไหมเกรียมไปหมดด้วยความร้อนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดไม่อาจหารเสีย่ยงพอที่จะอาศัยเส้นทางในถ้ำใต้ภูเขานั้นเข้าไปตามเจตนาในการนำทางของหนานอินได้เพราะเมื่อทดลองสำรวจลึกเข้าไปเพียงเล็กน้อยระดับของความร้อนก็ยิ่งทวีเพิ่มขึ้นจนทนไม่ไหวจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงล่วงหน้าอันทำให้ไม่สามารถลอดผ่านใต้ถ้าเพื่อตัดทางได้นั่นเอง ทุกคนไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเมื่อดารินอันมีสติสัญชาตญาณพิเศษติดต่อเข้าใจกันได้กับเจ้าด้วนอนดีตช่างปากกเรซึ่งบัด น, นี้ได้กลายมาเป็นช่างคู่บารมีของหล่อนไปซะแล้วได้ตะโกนเรียกหาและบอกความกำมันขอให้มันช่วยนำทางไปก่อนในขณะที่ทั้งคณะยังไม่อาจมองเห็นลู่ทางหรือตัดสินใจเลือกทางอื่นได้ตลอดระยะเวลาบ่าย มาจนกระทั่งใกล้ค่ำของวันนี้ทั้งคณะจึงจำต้องเดินอ้อมเลาะลัดไปตามไหล่เขาสลับไปกระป่าหินวนเวียนคดเคี้ยวไปมาประเดี๋ยวมีท่าว่าจะไต่ขึ้นสูงประเดี๋ยวก็ทิ่มลาดลงต่ำไปสู่แอง่งอันมีลักษณะเหมือนหุบครั้งแล้วครั้งเล่ามีดารินวาราริศสะกดตามหลังเจ้าด้วน ซึ่งเดินนำดุมดุมให้เห็นระยะที่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนักระหว่างนี้ทุกคนจำเป็นต้องฝากความหวังไว้แก่เจ้าด้วนชั่วคราวในเส้นทางเบื้องหน้าเปรียบเสมือนตัวมันจะเป็นมักคุเทศฉะนั้นพรานชดหรือคุณชายอนุชาการนันอินเดินทอดระยะคุมอยู่เบื้องหลังน้องสาวอีกทีหนึง่งในสภาพที่ไม่ยอมประมาท ส่วนเชษฐาชัยยันตามมาอีกชุดหนึ่งโดยมอบหมายให้ขยินคุมลูกหาบท้ายขบวนเส้นทางเดินอยู่ในเกณฑ์สะดวกพอสมควรมีแต่ไต่ขึ้นและไต่ลงไปตามภูมิประเทศอันแห้งแล้งนั้นไม่ต้องบุกเข้าไปตามพงรกทึบนานๆนจะมองเห็นต้นไม้ย่อมย่อมชนิดมีรากเกาะติดกับหินขึ้นโผล่แซมอยู่เป็นกลุ่มกลุ่ม ตามแนวหินผาสองฝั่งทางสักครั้งนอกนั้นล้วนแต่โขดผาศิลารายรูปร่างลักษณะแปลกๆอันเป็นฝีมือธรรมชาติเสกสรรไว้ทั้งสิ่งความที่เคยผ่านพื้นภูมิประเทศชนิดนี้มาก่อนแล้วจนเจนตาในการเดินทางผจญภัยครั้งก่อนไม่ทำให้ทุกคนในคณะมีความทึ่งหรือประหลาดใจอะไรเป็นพิเศษทั้งสิ้นนอกเหนือประการเดียว คือความระวังเตรียมตัวรับภัยที่อาจจู่โจมออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ชนิดไม่มีสิ่งใดมาประกันตะวันอ่อนชายลงไปตามลำดับบางขณะรับสันเขาเมื่อผ่านเข้าทิวขุนเขาสูงที่บังอยู่ทางด้านตะวันตก บ, บางขณะก็โพลวดวงแดงฉานสุก กำลงมาให้เห็นอีกเมื่อฉากของทิวด้านตะวันตกโปรงโลกสุดแต่มุมทิศทางของการเดินจะนําไปดารินเหงือออกโชคทั้งกายราวกับอาบน้ําแต่ฝีเท้าของหล่อนไม่ตกหรือแสดงอาการอ่อนปลี้หยุดแรงเลยหล่อนเดินสาวรอยเจ้าด้วนไปราวกับพรานอาชีพที่ผ่านในการเดินไพรมานานนับสิบสิบปีถูกแล้ว หล่นไปได้ด้วยพลังส่วนพิเศษในดวงจิตไปด้วยพลังแห่งความรักความห่วงหาอาทรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะอธิบายได้ลักษณะการก้าวเดินไปอย่างมั่นคงคล่องแคล่วแต่ลักก้าวก็ได้ลักษณะของการคอยตรวจตราภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมที่ผ่านไปโดยถีทั่วระมัดระวังก็ดีมันเป็นลักษณะเดียวกับจอมพลานผู้ยิ่งใหญ่ ระพินไพรวันไม่มีผิดจนทำให้ทั้งเพื่อนและพี่ชายทั้งสองที่ตามหลังไปทุกระยะโดยเฝ้าจับสังเกตอยู่สุดแสนที่จะพิศวงและแทบไม่เชื่อสายตาว่าน้องสาวคนเล็กของคณะจะกลายเป็นคนกล้าวแกรง่งแข็งแรงบึกบึนเกินสภาพถึงเพียงนี้หล่อหน้าจะมีอาการส่วนเซรหยุดพัก อันแสดงถึงความหมดแรงอ่อนเพลียบ้างนั่นเป็นความคิดและห่วงใยของพวกพี่ๆแต่เปล่าเลยไม่มีอาการชนิดนั้นจะส่อให้พวกพ้องเห็นแม้แต่น้อยอนุชาผู้สืบเท้าตามหลังเว้นห่างมาพอประมาณคู่กนนานอินก็เป็นคนจริงเหมือนกันเขาไม่มีการทักท้วงห้ามปรามหรือเรียกให้น้องสาวผ่อนฝีเท้าลงมารวมกลุ่มใดๆทั้งสิ้น คงปล่อยหล่อนบุกบนันนำหน้าโดดเด่นออกไปตามลาพังเช่นนั้นเพียงแต่คอยสังเกตจับดูตลอดเวลาเท่านั้นจนนันอินอดไม่ได้ที่จะกระซิบบอกว่าให้ชดดนายหญิงเดินหน้ากลัวเหลือเกินวันนี้ไม่ยอมหยุดพักรอพวกเราบ้างเลยขนาดนันอินเองก็เดินป่ามาตลอดชีวิตบายวันนี้ยังขาล่ะนี่นายจะไม่เรียกนายหญิงให้ลงมารวมกลุ่มกับพวกเรามั่งเลยไง อนุชาสั่นสีสั่ยิ้มน้อยๆขณะป้ายแขนเสื้อเชิดเช็ดเหงื่อที่กำลังจะย้อยเข้าตาน่ะปลอยเขาลุย น, นายหญิงมีอะไรในตัวแปลกๆที่เราคิดไม่ถึงเสมอแหละในเมืองนายหญิงเขาอาจจะงองแงอ่อนแอเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปแต่ในป่าและในความจำเป็นอย่างที่เราพบกันอยู่ขณะนี้นะ่ะนายหญิงนั่นมันจะผู้หญิงหรอกเขาอาจจะแข็งแรงกว่าพวกเราสกก็ได้ ไอริสเดทแห่งความรักน่ะมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นเราคอยระวังหลังเขาให้ดีกันแล้วกันแถวนี้ฉันรู้สึกว่าจะเห็นรองรอยของเสือภูเขาด้วยนะเพียงแค่ขาดเสียงพูดของอนุชาเท่านั้นเงาของอะไรชนิดหนึ่งกระทบแสงตะวันบ่ายจัดเป็นท่อนสีเหลืองลายพร้อยไปด้วยจุดดำก็ปรากฏวูบขึ้นบนแง่หินสูงอันมีลักษณะเป็นชะงอนชะงโงกขณะนั้น ดารินเดินผ่านหินก้อนนั้นไปแล้วประมาณสิบเก้าลักษณะของมันหมอบเตรียมกระโจนอนดีตพรานชดกับครูพรานตวัดไรเฟิลขึ้นพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณแต่เรานกรู้ไอ้วร้าแห่งขุนเขาตัวนั้นโดดแพลวหายลงไปในบริเวณหน่อหินที่อยู่เต็มไปหมดพ้นลับไปจากสายตาก่อนที่ทั้งสองจะทันลั่นไกเพียงชั่วเึ่งวินาที เชตดาชยันแล้วพวกลูกหาบที่กำลังเดินตามหลังมาไม่ทันเห็นเป้าหมายเห็นแต่เพียงอนุชากนันอินกำลังยืนประทับปืนค้างอะไรเหรอกลางเสียงเชิดาร้องถามมาเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเว้นระยะไม่ห่างกันนักจึงพอจะร้องถามกันได้โดยไม่ต้องใช้วิทยุอนุชาไม่ตอบรีบจำํำพรวดพรวดตามหลังดาริน ผู้ยังเดินเป็นปกติไปโดยเร็วคงมีก็แต่นันอินเท่านั้นที่ผ่อนฝีเท้ารอเชิถาและชยันที่เกือบจะเป็นวิ่งเหาะๆยยขึ้นมานายใหญ่ไม่เห็นอะไรหรอ ก, กเลอตะกี้พรานครูย้อนถามเสียงเบาๆไ ม, ไม่ทันเห็นนะมีอะไรเหรอชยันถามเร็วหรือระคนเสียงหอบๆก็ไอแมวใหญ่แต่ไม่ใช่ไอโครงรอก พวกที่มันหากินตามภูเขาสูงน่ะขนาดก็พอๆกับไอ้ดาวรูปร่างก็คล้ายๆกันมันโดดขึ้นมาบนยอดหินก้อนนั้นพอนายหญิงเดินคล้อยหลังไปหน่อยเดียวนายนินกับนายชดยิงไม่ทันมันโดดหลบลงไปซะก่อนน่ะเบื้องหน้าห่างออกไปอนุชาคงเร่งฝีเท้ากวดติดตามหลังดารินผู้กำลังเดินดุมๆไปด้วยอาการปกติโดยหมายจะตามให้ทัน ภายในสองสามนาทีให้ได้แต่ก็ไม่ใช้วิทยุหรือตะโกนเรียกใดๆทั้งสิน้นอดีตท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่จึงดึงวิทยุออกจากเตวทันทีร้องสั่งผ่านวิทยุไปว่าน้อยหยุดก่อนสิหยุดก่อนเสียงน้องสาวตอบมาทางวิทยุเช่นนั้นแต่ยังไม่ยอมหยุดขณะนั้น ทิศทางกําลังบ่ายหน้าลงเบื้องต่ําอันเคยเป็นทางน้ําไหลในเวลาฝนตกซึ่งเป็นกรวดบนลูกรังแดงอย่าเสียเวลาหยุดเลยค่ะทุกคนตามมาก็แล้วกันขณะนี้น้อยมองเห็นหุบของป่าไม้ทึบสีเขียวคลึมอยู่ข้างล่างแล้วและดูเหมือนจะได้ยินเสียงน้ําตกขนาดใหญ่ด้วยสิภูมิประเทศที่เรากําลังบ่ายหน้าลงไปน่ะเป็นดงดิบแล้ว เราจะลงไปให้ถึงที่นั่นก่อนตะวันตกดินค่ะพี่ใหญ่หล่อนพูดมาด้วยเสียงเรียบปกติดังได้ยินพร้อมกันหมดจากวิทยุทุกเครื่องที่มีติดตัวกันมามีเสียงอูซ่าของสายน้ำตกขนาดใหญ่แวววมาให้ทุกคนได้ยินจริงๆ จ, จากบริเวณที่ต่ำลงไปเบื้องหน้าแต่ว่าอุปทานก็ไม่เชิง แต่ความเหน็ดเหนื่อยของทุกคนทำให้หูอื้อและไม่ทันจะเงี่ยหูจับเสียงเพิ่งจะมาสำเหนียกเมื่อดารินบอกขึ้นมาให้ทราบนั่นเองนี่จะน้ำตกหรือปาน้ำปลาดิบเน่ยมันไม่สําคัญหรอกแต่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ามันมีอะไรมาดอ้อมดอมองมอ ง, ม อ, งอยู่ข้างหลังเธอพี่ใหญ่คะไม่ใช่เฉพาะข้างหลังหรอกคะ่ะ มันซุ่มอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเพียงแต่มันยังไม่โผล่ไม้เห็นเท่านั้นแหละเอ้านี่แปลว่าเธอรู้ตัวแล้วเหรอชั ย, ยันร้องออกมาอย่างงุนงงระคนตกใจเฉยๆสงบไว้เชยันรู้เปล่าขณะนี้เรากำลังผ่านเข้ามาในเขตของเสือดาวภูเขามันอยู่กันเป็นฝูงทีเดียวไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แต่เห็นจะไม่ต่กว่าเจ็ถึงสิบตัว ขนาดของมันน่ะไม่ใหญ่นักแต่ถ้าพร้อมใจกันรุมโจมตีเข้ามาทั้งฝูงก็อันตรายมากเหมือนกันตอนนี้ฉันสวดแผ่เมตตาพวกมันแล้วและขอเพียงแค่ผ่านอาณาบริเวณของมันเท่านั้นไม่คิดที่จะทำอันตรายอะไรมันหรอกแต่ถ้าแผ่เมตตาให้แล้วมันยังไม่รับก็เห็นจะช่วยไม่ได้และเพื่อความไม่ประมาทเอาเป็นว่าเธอและพี่ใหญ่ก็เปลี่ยนมาจากไรเฟิลมาเป็นลูกซองออโต้หรือปัมได้แล้ว แล้วก็เตือนพวกลูกหาให้รู้ตัวแล้วก็ระวังไว้ด้วยขาดเสียงของดารินก็มีเสียงของอนุชาพูดแทรบวิทยุขึ้นมาอีกคนนึงเร็วทำตามที่น้อยบอกเร็วเข้าเปลี่ยนจากไรเฟิลมาเป็นลูกซองได้แล้วทั้งพี่ใหญ่และชัยยันนั่นแหละทั้งทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรนะเชษฐากับชัยยันถอยหลังไปประทะกับพวกลูกหาทีท่กาลังเดินตามกันมาเป็นทิวและปฏิบัติตามที่ได้รับคำแนะนาทันที เชษฐาส่งไรเฟิลในมือไปแลกกับลูกซองบราวนิงออโต้ห้านัดจากหัวหน้าลูกหาบพร้อมเข็มขัดบรรจุกระสุนส่วนช ย, ยันก็แลกเอเรมิงตันปั๊ม28นิ้วมาจากลูกหาบอีกคนหนึ่งทั้งสองขยับลำเลื่อนรว ด, ดูกระสุนที่บรรจุอยู่แล้วเตือนให้พวกนั้นเตรียมพร้อมตรวเองทั้งสองรีบจำพรวดพรวดตามหลังน้องสาวและน้องชายขึ้นไปในทันที